ทางค่ะก็ได้เปล่นแล้ว เ, เกิด ใ, ใจช่างเดือดร้อนเกิดใจช่างหวี่นหายไมจิตใจใจเเราส่งกระแสจิติดไปยังอืน่นเะนั้นขณะที่าะที่เราฟังต้งตั้งจิตอยู่เฉพะหน้ายไปเกี่ยวเกาะกับอารมณ์ปัญญาอื่นแสดงธรรมหน้าที่ของท่านเราไม่ต้องไปคิดว่าท่านจะแสดงอะไร หากิของเรากำหนดจิตอยู่ภายในธรร ม, มนั้นมันก็จะลัวไลหลเข้าไปสัมผัสกับ จ, จิตเดี๋ยวรมะของหัวใจกลางนั้นมีมากทุกคนก็มีธรร ม, มะไม่ใช่มีธรร ม, มะแก่ทะ่ว่า ม, ม, มีเรื่องธรรมะในใจธรรมะ นามาสละสางสิจใจของตัวรูปกระทั่งนำมาทำนี่คือก่อนธรรมะแต่เรานก่อนที่เหลอดปนหาก็ถูกก่อนธรรมะก็ถูกาที่จรนาไทางโลกมันก็เกิดที่เหลดปนหาราคกาต่างๆาที่รจนาไปทางธรรมมันก็ระนับแบบหยุดิเดืดปหาได้ ดันั้อุบายทาใจที่จะแงสอนตัวเป็นสิ่งสำคัญแทนให้พิจารณาเป็นธรรมะถึงจะอ่านตำหลับกตำราอ่านนักฝนนิพพานใจทของเราท่านก็ไม่มีอะไรที่จะดีวิเกศดให้แตหาเราพิจารณาธรรมะแม่แต่พิจารณาตัดพิจารณาบุคคลต้นไม้ภูเขาหรืออะไรทั่วไปมันก็เป็นธรรมะสอนใจได้ คนสละเท่านั้นจะเอาตัวรอดเป็นสละเท่านั้นจะมีความสุขความสบายว <c oughs> ละทา้งโลกเรากคนสลดม า, าพอสมควรรู้ม า, าพอสมควรแต่สลดทางทางนี้รู้สึกว่าเราจางไม่เชียงคอไม่เชิงบุญดันั้นการศึกษาการธรรมะกึงศึกษาจะกกายจากจิ ในตไปศึกษาที่อื่นตัวนี้แหละเป็นคิดเป็นภัยสหาสมีธรรมะถ้ามีธรรมะตัวนี้อะสงบสงัดตัวนี้แหล ะ, รระ ส, สุระบายหลุคพ้นไปจากโลกจากสงสารในกาวทั้งเรานี้ <c oughs> มันเตต็มไปด้วยพิเลนต์ปัญหาเตเต็มไปด้วยธรรมะ ที่จะเกิดเป่นกิเลสตังหาก็เพราว่าจิตใจเราคิดปตึงหยุดเยื่อย่างของโลกเราเคยได้สำหรับเราฟังมาจากยูดามันดาหูือยัตตาทวดอย่างนั้นอย่างนี้เลยกำหนับเลยยยินดีเลยถือว่าร่างกายเป็นของเฉยเฉดงดงาม ร่างกายเป็นของจิตน่ายจินายชมต่างๆเพราะตัอยากตาทัื่อนดยบิดามารดาของเราในเคยสอนธรรมะให้สอนตั้งใจเรื่องทรงเฉลิมชื่นภายในใจความยึดมั่นถือมั่นในคําพูดแต่ในจิตอยู่ในจิตในใจทังเราเห็นอะไรเข้าสิ่งเราชอบของที่เราของนั้น มันเสียวมันงามมันดีมันดีเศษอยากได้พอใจแต่เป็นรูปที่มีชีวิตอยู่เต็มกันข้ามก็เกิดตาราสันหะคือเกิดความกำหนัดยินดีเกิดความอยากได้บางส่วนในจิตในใจผู้รู้ที่เนี่ยชอบวางเกียรติในอยากได้จะให้ตกไปหนีเป็นเรื่องของใจ กนในถ่ลัย่งมีธรรมะในตัวส่วนเพเที่เจ้าเรื่อยเจ้าถั่วไปที่ไหนนำก่อนอันนี้นำอารมณ์ส่วนนี้มาพิจาราเยแจศายใจนั้นถั่วที่เจ้นาเหมือนถวกเราท่านัที่เจ้านาเรื่องของถาบ้องขังธจะให้จิตใจเบ่นาคายกำนัจะให้จิตใจรู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งต่าง จะต่อยวางความดิ้นถือของจิตของใจเป็รูปที่เรากําหนัดยินดีโดยขาดสติขาดปัญญาขาดกัรรับอย่างทพิจารณานั้นท่านต่สอนให้มีสติพิจารณาใมเพราะความคิดไปแต่ไม่เฉลยวฉลดงดงามนะจนล่วง ของคือเรืองปัญหาเป็นเรื่องความหมายมั่นของใจเป็นเรื่องสมมติทั้งโลกหนูเราที่จะนาเป็นเรื่องท้องธรรมเราจะต้องแยกแยะก่อนอันนั้นออกดูว่าอะไรตรงนี้ที่เราไปยินดีคพอใจเ่องไส่ัต่าว่ามันสวยเกิดงดงามอย่างนั้นอย่างนี้ มื่ที่เจองาดูตามความเป็นจริงของงานไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายก็เกิดขึ้นจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟสะสมกันเข้ามีจิจมาอาศัยและธาตุทั้งสีนี้ที่จะจะรวมดูได้ก็เพราะอาศัยของสุกภกและเรื่องเอาไว้เหมืองกันกับต้นไม้ไดว่าอาศัยฝุ่อาศัยฝุ่น ถ้าใส่ของขกระปุกจนเสี่ยงหล่อเลี้ยงส่นไม้หรือใบหญ้าส่วนั้นยิ่งลอบงาบขึ้นมาได้ร่างกายทั้งพวกเราแข็งกหมือนกันของคือเราขบถันรับทานทุกวังนี้ปกติจนคล่องเหนาคลองเหมียวเกิดใบงานเกิต้องเสียหายจนคว่งเหน่าคองเสียแล้วยิ่งเรามาเที่ยวโซอยู่ไง ขากองเราคลายออกมาดีถอะกรณีใครสยิยโหยงชนชอบเมากเด็กแดงๆที่ไม่รู้เลี้ยงสาลแต่สามารถดื่มิ้ได้ตัวของเราเวลากลายออกมาแรายังไม่ก้าที่จะเอาเขได้ต่างอีกเพรามันโกกระปกหลางตังก็โศกกระปกอย่างนั้นหาที่เจอนาันดยดีเดี๋ยสติด้วยวปัญญาเดี๋ยวธรรมะแล้วหลางกายอันนี้ ตนเลืองสกปกของสติปลุ่มหเของสวยสวงดงามอะไรแต่เราไปที่เจ้ามาเรื่องธรรมะจึงเกิดราคะตังหาตังหะรที่เจ้ามาทำะราเห็นตามเป็นจึงแ่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นจริงอย่างนั้นใน่ใ่มันเสยวนงามอะไรหรือจะแยกออกมาผลก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเนื้อก็ดี จะดูดมีตัดไปสายพันุต่างๆเอาออกมาวางแล้วแต่ละสึ่งต่ละอันมีอะไรสวยงามน่าสืหน่าชมหน่ายินดีน่าปรารถนายิเป็นของมนุษย์แล้วรัวถือว่าจนเฉยจังไรถือว่าจนก๋งในมีผลงานทางนั้นในมีใครชื่นยงชมชอบจะซื้อจะขายกัน ยหงมีใครนินชอบกเอาไปบริโทํอาหมาหานเหมือนเมื้อสับเนือสับก็ยังยากคือขายกันหาเนื้อนุษยในจุด่างนั้นให้เกมาดูให้รู้ให้เข้าใจอยากแย่ดูเนื้อิมันกำลัดยินดีพ่เกนาหาทางแสบขายหาใจเห้นกินด่างนั้น เขาที่เราชอบแต่มันเสือมันงามนั้นก็ทาดขันอันเดียวกันกับตัวของเราทาดอันนี้ขันอันนี้มานมียิ่งเดพขึ้หนึ่งมันเลื่อยไหลออกมาทางตาทางจมูกทางหูทางปากยุทธวานต่างตลอดทั้งตาม เมื่อตามตัวผัวไปนั่นก็มีอะไรที่หอมเหว่งชวนเต็มมีแต่ท้องเหน่าท้องเหมนเสื้อผ้าสีสะอาดเสว้อผ้าเดี๋ยวเรามาลุ้นมาหอมเข่านานๆสีผ้าที่สะอาดนั้นเดี๋ยวผ้าทีสะอาดนั้นก็จะมีกลิ่นเน้ไอสีกว่าหนึสื้งผ้าให้มีแสดงว่าก่อนของกายอันนี้เป็นของสกปรกโสมันจะของสะอาด ที่เจหา็นตามคนจงมันจึงจะคลายความตาดจิงดีมันจึงจะในลุ่มหลงเถื่นในหลังายอันนี้เคยมีแต่สมัยเก่าก่อนพระพุทธเจ้าเคยสอนจินบรทุกเอาผ้าเ็หน้าขาวขาวให้ลุ่คลาไปมาบริกรรม แล้วโอหายนางล้วตัางหัรติแทนก่อบริกรรมอยู่นั่นบริกรรมไปบริกรรมไปลุกทมไปเรื er, inside brain, inside body, inside body, inside ่อยแต่พอทำไปทำมานานเข้าผ่าขาวกวดังขึ้นผิวของผ่าผิดขาวกว่าหายไปเพราะถูกเหง่อถูกไขในตัวไปติด ทางแต่งยว่ร่างกายนี้เราก็ถื้ว่าเป็นของสวของงามทำไมมันเป็นอย่างน้าดีๆเท้าขาวกับเป็นของผุกๆวยอะขึ้นได้ทางแตที่เจอมายกขึ้นมาในกาวทานก็เลยรับความสวยความสบายแต่อถึงคนจากที่เลยถ้าเป็นเลยขนอะไรท่านนะแต่ทางที่เจอมาเอาผ้าเป็น มนเหตุเราต่อาพิจเอนาอย่างนั้นมันก็อามพิจเอนาได้เพื่อจะขับไล่ความหลงขอ ง, ของอจ ใ, ใ จ, จ, งนจห น, หว น, นห่วยพิจเอนาแก้ไขใจจนสิงนแกิดหงือหง่วงดิ้ล้งอึเสียงดิ้นรดสัมผัสต่างๆทางธรรมะทางสอนเพื่อจะแก้ไขสิ่งเหล่า น, นี้โดยการที่นิจเจนะหาความจริงค้อนัน มีการแกะไขจิตใจสิสุงเผื่อนเหวี่ยงลุ่มหลงไปตามลุ่มเสียงเรล่อราวต่างๆแล้วก็ห่วงยึดถือเป็นทุกข์ในจิตในใจหมื่อหลังกายไม่สมปรารถนาให้หลังกายมันก็มีหน้าที่ของมันแปรผันเปลี่ยนแปลงมีอย่างนั้นไม่มีใครี่จะคงเ่้นคงว่าเกิดมาเป็นเด็กอยู่ตลอดไม่นี้ เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดหนึ่มันเป็นอย่างนี้แต่ถวกเราต้องงในเกิดถึกเราตาไปแล้วเรื่องของกายก็จะเป็นอย่างนี้่ไยไปสําหรับคนที่มีการเกิดขึ้นมาจะต้องมีการแก่การเกิดการตายเป็นธรรมดาไม่มีทางที่จะแก้ไขถ้ามีเกิดเหนื่อยความแกฉกตายจะมาพร้อม เราเริ่มหลงยึดถือโดยจิตคิดจริงว่าเป็นเราเป็นของเราแต่เราไม่เคยเด็ดถามเขาไม่เคยเด็สอบสืบดูจริงจังเขารับรองเราไหมว่าอันนี้ถ้าจะอยู่กับท่านต่อไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงและควรด่านไรเราสมมุติเราก็หลงสมมุติ เ็นมดเขาเหรเป็นขนเป็นขนเป็นเล็บเป็นตันเป็นแขนเป็นขาเป็นหูเป็นตาใจสิ่งเหล่านั้นเราถามเขาก็ว่าอะไรตาวเท่านั้นเขาอยู่ตามเหลืองของเขาหน้าที่อย่างไรเท่ากับไปตามเหลืองของเขาเขาไม่เด้คิดอยาเราจะเป็นทุกข์เขาไม่คิดอยาเราจะเป็นสุขหน้าที่ของเขามีอย่างไรเขาไม่เคยหลงไหลไส่ฝัน ไม่ว่าสัตว์ประเทใดไม่ว่าใครทั้งหมดมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นพวกเราถันจะไหลงมันทาไงที่เจมาตามเป็นจงนของมันให้เข้าใจกันจีงจังเหรมันเป็นไปอย่างไรล้วก็สรางอยู่ว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้นถึงวันนี้ยังไม่เป็นไปวานหน้ามันจะจะจบเป็นไปเมื่อถึงการถึงสมัยมันเป็นไปจีนจัเราต้อม่หลงหลงเสียอกคสยใจ ใจของเราเดจีนาแกไขความยึดมั่นสำคัญหลายหลายยิ่งหลายชายลาสัตว์าบุคคลแล้วถื่เป็นเรื่องของธรรมะที่พระครูเจ้าเนี่ยสอนธรรมะส่วนนี้ไมายั้งสิจะหนีจากโลกจะจ้องที่เจีนากาจัดจิตใจที่หงหลงเหวี่ยงต่างๆให้ตกไปแต่การที่จะเป็นจเห็นนั้น เป็นเรื่องของแต่ับท่านที่จะพึะ่งปฏิบัติไม่ใช่ว่าฟังแล้วจะเห็นจะเป็นขึ้นในขณะที่ฟังเท่านั้นจะต้องนำไปที่นี้ทใจมาเป็นจิตใจของเราละจิตใจของเราถอนจิตใจของเรารู้เห็นตามเป็นจริงและจะไม่มีอะไรสงสัยในจิตในใจจากความบริสุทธิ์นั้นเป็นอย่างไรทราบเห็นเพราะความบริสุทธิ กับความเหงาโดยวิสุธ์นั้นมันตรงกันข้ามเราเหดยวิสุทธิ์เราก็รู้อยู่ว่าจิตยังสงสัยยังใส่แต่ยังจิตคล้องในสัญดาอารมณ์ต่างๆนานาแต่เป็นโดยิสุทธิ์แล้วมันเป็นอย่างไรนั้นมันก็หมดปัญหาอค ต, อทติทังจิตหาคือความสงสัย ใ, ในใจของคนนั้นจะหมดไป่เมื่อมันถึงที่สุด จิตจะมุดหลุดจากมุดหลุดจากโลกมันก็สุกก็สบายจะตายก็ไม่มีปัญหาจะอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่ิตขเราดังเงี้ยยังชีวิตยืนยงคงอยู่ก็เพราะว่าเรายังไม่เห็นความเหมาะสมความพอดีควางามของ จ, จ, จิตของใจสิ่งที่เราปรารถนาอยากได้เร า, รายังไม่ได้ยังไม่เห็นยังไม่เต็นสิ่งในตัว เราจึงอยากมีชีวิตต่อไปยืนยงยาวนานเพื่อจะเด้ประเทศไปชื่นบัติคุณงามความดีให้ถึงที่หรือมีความหวังสิ่ไใดสิ่งหนึ่อยู่สิ่งนั้นแต่หากเราจะมีชีวิตอยู่เราจะมีโอกาสเวลาที่จะได้พบได้เห็นอยากอยากจะทํามันเทินเราจึงเห่วงจึงเห่วงชีวิต อยากจะมีอายุยืนยาวแต่ท่านคือจิ่เหวน่จิตเป็นในจิตในใจจิตใจแล้วไม่เป็นอย่างนั้นท่านไม่มีเหวี่ยงเหวีงอะไรพร้อมเสมอที่จะอยู่พร้อมเสมอที่จะไปเพรใจทีงท่านประลึกมีการจิตข้องมีการม่งหวังอะไรอีกนี่คือการประเดไปตีบัตรบ้านธรรมะถึงจิตหมายตายทาง เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นตั้งหาในจิตในใจจะอยู่จะไปมีคุณค่าเท่ากันแต่เราเป็นอย่างนั้นจิตใจยังเป็นไปใน่จะเลื่อนไม่ปรารถนายิ่งอยากจะมีอายุยืนยงคงรยู่จะได้จะ่เพื่อปฏิบัต ทำบุญเป็นทางให้จิตใจเด็กบางหังสาให้จิตใจได้รับทำแมะต่อไปนี่เป็นเรื่องทุกคนปรารถนาอยากจะมีชีวิตสบายยืนยาวอย่างนี้หมายถึงติดตัวปฏิบัติ้านอจบธรรมเตืนบ้านทั้งโลกหรกกว่าท่านโยกันที่ไม่อยากจะล่มหายตายไปเพราะห่วงใจ สมบัติทรัพย์สินห่งใยลูกหลานของตัวเมื่อเราตายไปแต่จะมีใครรักษาสมบัติเข่าของส่วนนั้นจะมีใครแนะนดูแลลูกหลานเพราะเขายังเด็กยังเล็กอยู่มันคิดไปในแง่นั้นมันจึงอยากจะมีชีวิตยืนยงคงอยู่คือยังหนุ่มไป่ศพพบเห็นความสุขความสบาย อันที่ตัวปาถนะลูกหลานก็ยังเล็กยัง เ, เล็กอยู่ยังรเรื่องเรื่องสาอะไ ร, รเรื่องเร่องสาแล้วก็ยังลักษาตัวไม่ได้ยังตัวยังคุ้มมันพลังนั้นแต่เมื่อมีชีวิตเป็นอยู่ความหลงอันอื่นมันก่อความงามขม่าอีกแหละแทนที่มีชีวิตเป็นอยู่ะยจะรีบร่งแต่ทำนำเพ่งคุณงามความดี เชื่อแนะนจิตใจท่องตัวเห็ละชั่วประกอบความดีมันก็เลิมหลงไปไม่ได้ใข่คิดติดตามอะไรพอเป็นไข่เป็นทุกข์าาขึ้นเรื่องมีอุปสรรคขึ้นมันเป็นคิดได้มันเป็นทำนองนะั้นเดินไปไกลเดียวแล้วก็หยุดแล้วอยากถึงจุดหมายปลายทางมันเป็นไปไม่ได้แต่ต้องเดินไปเรื่อย มันถึงจะห่างไกลจากที่เก่าไปจดถึงจุดใหม่ที่เราตา้งพนาในการปฏิบัตามมาิธรรมะหรืทำงานเดียวกันหากเรายังเยึดหน่อยใจเกิดปีนัน้ละสงสารทางธรรมะท า, มมางก่สอนเรายังยิดดียังชอบใจในภพในฉากต่อไปทางก็สอนให้สะสมคุณงามความดีเอาไว้ เียเป็นทุนหนูจิตให้ได้เกิดในสถานที่ดีมีความสุขความเจริญตามฐานะหน้าที่ของสัตว์ที่อยู่ในโลกคําสอของพระเจา้ามีหลายขั้นแต่ใช่หรีอมีคำเดียวเท่านั้นเหมือนกันกับคำสอนของโลกสอนปั่นปถมมัธยมอุดมมันก็เป็นไปเป็นละขั้นละอได้ แกก็เอาปากนี้แหะสอนไม่ได้เอาอันอื่นมาสอนหนื่ท่องสอนท่องวิทยาศาสต้าสอนปเดียวไปเต็มบ้านก่อสอนเหงื่อหนัหงืยันอุทารหน้าสำปะชาขยันในหน้าที่การงานของตนนักเรียนกับทยันศึกษาเรียเรียนอย่าเสียค่าต่หน้าศึกษาเพื่อจะเอาชนะคนอื่น เราวิ่งหน้าเราจะเอาชนะเขาเขาก็มีมงหน้าเราจะเอาชนะเราเหมนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นมีจิดแข่งกันถ้าเราไม่ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาไม่ตั้งหน้าตั้งตารเราเย็นแล้วแต่มันจะไดกจะเช่นนั้นมันก็ไม่มีวันที่จะคอบแข่งเขาได้ที่เขาเอาไว้หนึงว่าจะ ให้ดีกว่าเขากว่าจะตามหลังเขาก็ยังมีเพราะฉะนั้นต้องานต้องขยันทำงานของที่ตั้งใจเรื่องเฉาะในคนเกียรติ้าให้ขยันงาเพียรในหน้าที่การงานของตัวเพราะคนเราเกิดมาในโลกอันนี้ในเหมือนเทวดาบุตรเทวดาดาเกิดมาทุกคนไม่มีตัวข่าไมมีเข้าขวเงินทองติดตัวมา ตัวมาตัวเปล่าไม่มีอะไรจิดมาเสือขานิดหน่อยก็หนีเขาคลองเงินทองนิดหน่อยก็มิดมาพอเกิดมาแล้วเรื่องฝาอายุดดามามาคือหลับตูใหญ่ดูแลมาสอนให้ก็อขยันหมั่นเพียรทำหน้าที่ของตนเป็นเด็กก่อทำหน้าที่ของเด็ก เนผู้ใหญ่จะทำหน้าที่ของผู้ใหญ่เนี่ยมีการงานเกิดขึ้นก่อทาการงานนั้นอย่างเอาใจใส่ตั้งใจทำจริงจังจะเป็นงานอะไรก่อตามถ้าเราขยันย่างเพียรจริงจังแล้วงานนั้นก่สามารถหย่นตัวของเราให้จเจริญก้าวหน้าได้จะทาํามาท้าทาย ทำการงานแต่กิจกรรมทำหลายๆการงานเมืองต่อตามถ้าพยายามหนเพียรจริงจังเอาใจใส่เราก็มีทางที่จะเจริญขึ้นในการงานเหมนนั้นงานเราดีเงินเราก็มีมาเป็นเครื่องตอบแทนท้าจริงสอนให้พยยามนี่คือประโยชน์ไปจูงบันขอบต้นสื่อเที่อไปจ่าสอน รกาาคาของประทาเนื้อหามาได้ข้ของเงินทองท่านให้รักษาในเหตุที่กว้างให้รักษาเอาไว้ย่งของมีค่าถ้าไรก็ยย่งรักษาให้ดีในอย่างนั้นคนอื่นเขาเห็นของมีค่าเขาก็อาจสาทนาหยิบยกนี้ไปลักขโมยส่้เนเราได้พอเราไปวางไว้หรือปล่อยไว้ในที่หนึ่งบางควร หาให้ดีเข้าของเอ ง, งินทองที่หามาไดา้ของที่มีค่าเหยียดอารักขาสมปทา <c oughs> จางระยานนิจ ต, ตาคบเพื่อนที่ดีงามหมายถึงเพื่อนที่มุ่งดีวังดีต่อตัวเองแต่อรัตเอาเสือกแม่ประโยชน์ให้ ่องสุขยลงทุกข์กับเราเป็นผู้ที่มีติมีปัญญาเมื่อเราเกิดปัญหาอะไรสามารถที่จะศึกษาไปถามเขาได้เขาจะแก้ปัญหาที่เรามีอยู่ให้ตกไปเพื่อนทีประพืชตัวในทางดีคือหนึ่งตัวพืชตัวเ่วกี๋เป็นนักเรียนการพนัน น, นักเรียน เหล่านักเลงเกี่ยกลางคืนนักลงดูกันเล่นต่างๆเป็นเพื่อนี๋มีอาจมีทำอยู่ในตัวเป็นเพื่อนผี๋หน้าครบหน้าดีช้าเป็นเพื่อนจี๋หน้าจารธนาเราทำเสือทำเสืออะไรเพื่อมีตา เขาก็แนะให้ว่าอันนั้นมันเป็นผดเป็นภัยเพอนเนอย่าไปทาต่อไปทำแล้วเราจะเสียหาอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเขาได้ยินเราพูดถึงอีไรผิดในหยุดนวีทกข์เนี่ยรอย่างัรก็งานิดคือมิดที่ดีมิเนี้ประโยชน์ให้มิรเอาใจใส่ดูแลรักษาเพื่อนแบบนี้ครบรบันสีใจเลยกล่าวหน้า เป่นเ่อเสียเขตตาก็นิดเป็นกรลยานมิตรพระพุทธเจ้าเห่เหลครบท่กนิ่ดีอย่างนี้เป็นข้อที่สามข้อที่สี่สมาชีวิตตาคืออย่างชีวิตของตัวพอคุ้นควรแก่ฐานะของตัวได้หาไปจายสิบมันงก่อนไมมีสิบหายวันตื้อ คือได้น้อยควรจ่ายน้อยตามฐานะใหามีการเก็บรักษาเอาไว้ให้มีเหลือได้มากขนาดไหนถ้าไม่มีเหลือเป็นกลุ่มจเป็นปัญหาได้น้อยแต่มันมีเหลืออยู่มันก็มีคุณค่าในยาการงานอะไรที่เราได้มาจะต้องเก็บรักษาจะต้องรู้จักใช้จ่ายอย่างชีวิตทั้งตัว พอเหมาะพอสมได้เตือนเตือนจนเกินไปสุดเตือนเตียงจนเกินไปนี่โอวาทของพระพุทธเจ้าแนอนรประโยชน์ปัจจุบันทุกท่านถ้าหากต่อเพื่ปฏิบัติตามโอวาทแล้วจะไม่มีความอดอยากอยากจนเท่าไรจะพอเพียงไปในชีวิต มีแนเอาโอกาสของพู้ใต้บัจคาบมาแนะอนอดอยากจยากจนก็ยิ่งเกียจคร้านไม่อยากจะทาการทางานอะไรได้แม้นิดหน่อยก็ใช้จ่ายไปเก็บรักษาเอาไว้คบเพื่อนจะช่วใจเสียมันก็เลยไม่มีทางที่จะเล่นเก่าหน่ครับสมบัติหามาขอนพี่กับเดินไปหมด ถ้าหากเราพิจาราตามธรรมะของพระเจ้าหลือวมันก็มีที่ปางหนึ่งหลังที่พระเจ้าสอนคนในปัจจุบันช่วรจะเห็นเป็นคนดีหรือคนชั่วอย่างไรสู่คนปังหนึ่นทิถาว่าศาตนาเป็นของคลึกของเล่าใช่ไหมเพราะเขาเหล่านั้นในที่เจรณาธรรมะของพระเจ้าหลักธรรมะนั้นท่านสอนอย่างไรกันแน่ ถ้าทีจะทำตามธรรมะม น, มนั้นคนนี้ค่อแย่ไม่ว่าประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์พบหน้าประโยชน์อย่าง ย, าายิง่งถ้าองค์ขวนเอาไว้คนเราเมื่อยังมีกิเลสตังหาอยู่ในใจถึงอยากจะไปนิพพานมันก็ไปไม่ได้เพราะอํา น, นาจของกิเลสตังหายังมีอยู่จะต้องก่อพบก่อธาดอีกต่อไป พอเราทาบมีอยู่แล้วาใจของเราจะเหมืบอยรู้สึกถึงคนอื่นจะมาบอกว่าจะได้เกิดอีกนะเราก็ทราบดีว่ามันยังมีเชื่อจะเกิดอีกมีอยู่เราจะต้องท่องเที่ยวเยอนได้ตายเกิดเดือดไปการเยอนได้เตาเกิดเดือดไปแ่ะอาศัยอะไรเห็นไหม พบชาของ có, ồ, đi, สัตว์วันนี้ก็เอาใบไม้ที่เป็นมาแดงให้ดูเหนือพสาของเขาถ้าเราเป็นอย่างนี้จะมีโอกาสเวลาทำกิจงานทาดีได้ไหมเราจะรักษาศีนิวหายทันจะเรีภาวนาเ็ไหมตอนเหานี้เื่อยบอไม่มีทางที่จะทราบที่จะทราบกุงาจความดีได้พบชาตของสัตว์มันนมา ไม่ใช่ง่ายเรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้เสือเป็นผี่นี้โชคลาบใหญ่หลวงหยุดโชลิมนุษย์ฝ่าปฏิลาภโผล่ก้นลาบยังยิ่งตัดอืน่นนับหมื่นนับแสนนับลาบ้านไม่ได้เขาม่มีโอกาสเวลาจะมาภาวน า, ารักษาหินทำร้ำ า, ำ า, ายจิตทำร้าใจของเขา สูงถึงมนุษย์เราถงมากกว่าจริงกว่าในเท่ า, าสัตว์วกในจอมปลวกหนึ่ ง, งจังหน้ากกว่าคนในประเทศไทยจำนวนนับล้านเลยได้ถ้าจอมปลวกใหญ่ๆมันมากขนาดนั้นและการเกิดของเขาข ง, ง่ายอย่างพวกปตาพวกกบพวกอื่นอย่างนี้ที่มีมันเกิดขึ้นกีิร้อยกี่พันตัวในท้อง ของแม่เพียงมันตัวหนึ่งหนึ่งมนุษย์เราเป็นอย่างนั้นไหมเกิบดบ้าลำบาก้าอนจะเกิดมาเป็นมนุษย์บ้างเม่เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่รักษาธรรมของมนุษย์ในประทฤตตัวเป็นมนุษย์เมื่อตายไปจะเป็นอย่างไรเราเองในชาติเรจะได้กอะพบก่อชาติที่ไหนมืดหลอด อ, อยู่ในตัวในชาติเาจะไปตกหลืมตรงบอก่อพบก่อชาติที่ไหนอีก ถ่านการสอนให้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ศัทธาซ้ำศัทธาพือให้มีความเชื่อความเมตไสในกรรมสี่ตัวทำกรรมดีจะเกิดผลดีนำผลดีมาให้กรรมชั่วสีตัวสร้างตัวทำลงไปจะนนความเชื่วมาให้เมื่อเข้าใจเรื่องความกรรมทราบเรื่องกรรมสี่ตัวทำจะนำสุขนำทุกข์มาให้อย่างนั้น แล้วก็เหลือค่าปัดหาทางแต่กรรมที่ดีกรรมที่ชั่วผีเราใน้องการในศาสนาอย่าไปคิดไปทํำมันเพราะการรมชั่วนั้นจะนำผล ม, มาให้เป็นทุกข์เป็นโทษทุกคนเกิดมาตามทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวว่าเกิดมาเพราะกรรมไม่ใช่เกิดมาเพราะบิดามานดาไม่ใช่เกิดมาเพราะส่วนอื่น ตามที่เราทำนั้นแหละโดนบันดานให้เกิดมาเราไม่คาดว่าเราจะไ้เกิดที่ไหนเลจะเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรทุกคนปาถอนอยากจะไปเกิดที่ดีถ้ามีพบมีคาดต่อไปมีมีใครป่าเถอนอยากจะไ้เกิดใน่พบผชั่วผิดต่ำแต่อันหนึ่งที่สร้างมามไม่เหมือนกัน เป็นมนุษย์ก็เหมือนกันทั้ๆที่เกิดในคันยดามนาคนเดียวกันไม่ได้คนอื่นเป็นคนเดียวกันแท้ดันหัวกันออกมาแต่หน้าตาผิวพรรณน่ะไม่เหมือนกันสติปัญญาไม่เหมือนกันยีดามมนาทน้าตาชนะนว่าลูกหญิงเด็กชายถี่ชัวร้าเสียหาย เผู้หญิงอย่างชากอยากจะให้สวสวงดงามเป็นนางงามโลกเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็อยากจะให้หอให้ลหล่อกวิเนมลูกใครในโลกเป็นลูกของเราปรารถนาอย่างนั้นดัน่งสุตตปัญญาก็เหมือนกันปรารถนาอยากจะให้ลูดดลดกดีเด่น ป, นประเสริฐ ย, ยิศษกว่ามนุษย์ั่วไปในปรารถนาได้บ้างเยอะในปรารถนาอะไรเยอะ ต่างๆมนเข็ประกบตาบอดหูหนวกขาเดือดหรือะไรต่างๆ้าไมจัถหาทำไมยินดีเหตุพอใจแต่เหอุเราลูกที่เกิดมายิงเต็นไปว่ามีไหวเสือเบื้องของกรรมมันจะเหน่อสับห้เต็มไปตามเบื้องของมันถึงจงไหวกรรมไม่นานเ้าจโโกะสโลกเต็มไปเพราะกรรม มมันจำแนกสัตว์ผลเรือเหตุการณ์ผิดกัน ท, ทั้งที่เกิดในคำอันเดียวกันมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเรื่องศรัทธาคือความสวย่องข้องกันจึงควรจะ ม, มีอยู่ในจิตในใจใคข่คิดมีเรื่อยเพื่อจะได้ทำคิดทำใจสิ่ที่ดีมีคุณค่ามีสาระ เมื่เราทากรรมดีเรายังมีพบมีชาตต่อไปกรรมดีจะอานวยเอื้อชัให้ผลเป็นสุขเกิดเป็นมนุษย์มีเข่าคเงินทองเสื้อผ้าอะไรผิดตัว้อมาเสื้อเราก็ได้เกิดในตระวนถี่ดีมีเงินมีทองมีข่ามีคล้องอยู่ดามนาขอรักษาดีเลยเอาใจใส่ แต่๋ยวเติดใหญ่มาตกอให้ศึกษาเรียนเหมาะกันระดกบเข่าขวางต่างๆให้มีความปตูกความสมายพอกันมดีเต็มให้เราทุกคนตราถนาอย่างนั้นแต่เท่าเกิดในตาในดงทุกยากลําบากหาใส่ตาใส่ท้องแต่ละทีก็แทบจะไม่มีอย่างนั้นมันก็นับไม่ได้มันเป็น อย่างไรเขาไม่ป <acceso, S 2> ัดพันาะเ้าดีหรือเขาจริงจังไปแบบนั้นก็เพราะกรรมจะไหนอยกเห้เขาไปเกิดอย่างนั้นเขาทํำไปแบบนั้นมันต่อไปแบบนั้นถึงเป็นมนุษย์ตัวเหมือนกันมันเป็นตัวอย่างนั้นเรื่องของการเราจึงควรเชื่อควรที่นี่ที่จ้านสอนใจของเราให้ละกรรมชื่อบรรเทากำดีต่างเอาไว้เมื่อใดยังเหนถึงต้นไมปลายทางคือพันธุ์พัน จีนคือว่าจะทำบำเพ็เอาไว้ในด้านดีจะเวยใช้เหตุผลได้รับความสุกความสบายตามฐานาหน้าที่ในภพชาตินั้นอยู่หมายถึงกรนหมายถึงศรัทธาคือว่าสำปทาในรักษาหูนหนนาานินเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาดรือเป็นเรื่องคี่จะ นำคนให้ไปเกิดในภพหน้าได้รับความสูกความสบายแต่จิตวิสัเลยนะสุขจึงดันติสีเลยนะโพกับสัมปทาศีลเป็นเรื่องสําคัญแต่คนในทิตวิศียเป็นเรื่องสําคัญเลยทําไปโดยใจชอบเราคิดว่าศีลที่เรารักษา เราบอกว่าจะปฏิบัติจะนำผลมาให้ตรงนะครับความสุขอย่างไรเกิดโคนไส้ไม่อยากรักษาเพราะการรักษาศีลมันยากการปล่อตะลาศีลทําไปเบือดําทังเกิดปัญหาความสงบใจของตัวมันยามันสะดวกสบายเหมือนพายเรือไปตามลําน้ำที่ไหลในทวนกระแสมัน่าก พายเรือทวนกระแสน้ําต้องอาศัยกำลังไม่หยั่งนั้นก็ไปในทิศฝั่งอย่างการรักษาศีลก็ทั้งนังนเดียวกันศีลนั้นถ้าหากรักษาแล้วตัวตาณาจีบาทอจินนาทานกาเมธินิสาจารมิสาว่าหรือสุลาหนึ่เป็นศีลห้าศีลผิดเป็นโทษเมื่อคนไม่รักษา เารักษาได้ก็ให้อานิสงส์เราไม่ข่าเขาเหยียดเยียนเขาเราเกิดมาก็ไมมีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีเขามาข่ามาเบียดเยียนเราถึงจะมีสมบัติเข่าขวางมากมายกลายฟองขนาดไหนถ้าเจอโรคภครไขเจ็บมีคนมาเยียดเยียนอยู่บ่อยๆจิตใจนั่นก็ไม่มีความฝุกให้หลังใจที่มีโรคใครมันก็ไม่มีความฝึก นั้นทำจรงให้รักษาเรื่องของสีเอาไว้ในดเดือเย็นเขาในขาเขาเราเกิดมาห่ังกายก็จะสวยสดงดงามไม่มีโรคใขมค้มาเดือดเย็นล้วอายุของเราควจะยืนยาวนานต่อไปไม่มีใครที่จะกล้ามาขามาม้ามาเดือเย็นหรือคนไขน้นอกโร่พยาโากภายในมีน้อยเพราะ อำนาจของศีลคุ้มครองรักษาให้มีร่างกายสะดวกสบายสวยงามนี่คือเรื่องของศีลอจินนาทานเขาของเงินทองที่เราหาไมมาได้เราไม่เคยรักฉกเขาไม่เคยสวมจี่เขากลายเปคนภัยอันตรายถึงเขาจะถูกสวมที่รักขโมย ขางเราก็ปลอดภัยไม่เคยมีใครกล้าเพราะอำนาจของกรรมที่เราสั่งเอาไว้กลุ่มควองรักษาแต่เขาเกรงใจแต่เขากลัวอํำนาอยาติสนะหรือสงสารเงือบตาไม่อยากทําเพราะกรรมที่เราไม่เคยียดื้อดึงเขาไม่เคยรักขโมยเขามันให้ผลอย่างนั้นเราอื่นก็ทํานองเดียวกัน หาเรารักษาได้มันสะดวกสบายมันให้ผลเป็นสุกพระพุทธเจ้าเห็นอนิยสงฆ์อย่างนี้ถ้าจะสอนให้พวกเราท่านคือที่เป็นนักท่องเที่ยวก่อภพก่อชาติมีโลกบ่อยๆให้รักษาให้พเจารณาสอนใจของตัวอยี่าง สิ่งจึเป็นเรื่องสคัญถึงเราจะมีหลุหลังกลางตัวเยเร็กงดงามไหลโหลกไข้ไเจ็บมีคบัตรทัสถานเข่าของเงินทองคนดวงก่าตาแต่เมื่อตัวที่สามคือการเมืิขาจารหากเราไม่รักษาเรามีสามีมาก่ต่อพือยู่ในขอไม่เทีย เยอะไปได้คนนั้นเยอะไปเอาคนนี้หนักไปไม่มีวันมีเวลาที่จะเพียงพอจิตใจของเราหมดเป็นแบนนั้นฝึกสบายมั้ยถ้าเป็นผู้ชายเด็กชรยามาก็ไม่คบช่วยคนอื่นด้วยไปหนักไปอยู่ทำานเสมอเคยได้ยินในหนังซึ่งพิมเขาพูดเขาเขียงกันข่าวกันแทงกัน มีกันนับไม่ได้รื่องเหล่านี้เพราะมันอยู่ในขอบเขตสิ่งทำคําสอนสิ่งพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ถ้าหากต่างคนต่างประเทศตามคําสอนสิ่งพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ในนอกใจส่งกันแลกกันนอกกายถวายชีวิตต่อกันสุขทุกข์รวมกัน ถ้าเป็นอย่างนั้นครอบครัวนั้นถึงจะอดอยากจากเงินเข้าของเงินทองเขาไปนอนหลับสบายในยุ่นไรเดือดร้อนคนที่มีเงินทองเข้าขวางมากขนาดไหนขาดสามีไปเป็นอย่างนั้นภรรยาไปเป็นอย่างนั้นนไม่มีวันสงบในครอบครัวได้เสียงอกเสีใจ่าดกันตายทเลาะเบาเหว่งแตกสามัคคีกัน นี่มันเป็นอย่างนี้ทางของภูมิทัช้ามีสาว่าการพูดโกหกพโลกลมก็เหมือนกันคนที่พูดอย่างนั้นเป็นพิษเป็นไทยมันมีใครเชื่อเกิดมาถึงจะพูดความจิงขนาดไหนเขาก็ไม่เชื่อเราถ้าเราเคยโกหก พวกองค์เขาแต่กังเกงมันเหตุผลอย่างนั้นถ้าจะเหารักษาเวราตัปกติอยู่ดีๆมันก็บ้าอยู่แล้วห่างจิตเ็มเมื่อดื่มเข้าไปมันเป็นอย่างไรล่ะถนนใหญ่ๆมันก็เดินเดินไม่ถูกนี็นไหมถึอะไรตัเดินไปต่างๆนะคนที่เมาเวลาแต่คนก็ชอบกันแบบ จิ้มเผื่อสังคมความจริงสังคมคือลาเงยใส่สังคนที่ใจนำความถูกความผิดมาให้สังคมผิดหายสังคมบ้าผูดจาก็วมท่นี้แับผิดถูกเัื่อมีอะไรหาความละอายในใจไหนนี่มีอย่างตัวลเป็นบ้าเพิ่มบ้าขึ้นอีกผ้ามิสอนไม่ให้ดืม ในรักษาถาศาสนาอยากจะเป็นคนดีต่อไปในทางเนี่ยเขีนทั้งห้าข้อที่อธิบายมาถ้าคิดเจมาโดยความเพียรขันในแถวตัวเราจะทราวบ้าเขีนทั้งห้าข้อที่พระพุทธจ้าทรงมันหยากจะไว้เป็นคุณเป็นอ น, นี้สง ย่งใหหากทุกคนสนใจรักษาโลกอันนี้จะมีความสุขเหมือนเทวดาไม่เลยลำบากยากเย็น็นทุกข์เพราะเหตุอะไรเพราะไม่พลาดการเดือดเย็นกันต่ถืาฐาที่ได้ในต่องไปรักษาเขาของเงินทองว่ามันจะถูกขโมยมาอย่างจริงออกัป สถานที่ใดในห่วงบ้าหนห่วงช่องห่วงสามีภรรยาเราก็จะเป็นผุดหนอกใจมันผึกมัน ส, นสบายแค่ไหนไปสถานที่ใดในนี้ใครแตโกหกพกลมมันผึกมัน ส, นสบายจะเลิยุ่งวายที่วันนี้เป็นเพราะอะไรอ่าที่เจมนะาการจริงจังต่อพาะขาดการรักษาศีลแล้วทํ า, ท า, ทาทไม